เราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าของเราเป็นทรงเป็นนักเหตุผลนักอัดนักทำนักรู้นักฉลาดแหลมคมและเป็นพลังแห่งธรรมผลธรรมที่อยู่ในพระครังของพระองค์คือพระทายที่บริสุทธิ์นัน้นมีแต่พระธรรมรวมพระตร เลิดโลกท่านได้มาด้วยเหตุผลอันใดท่านถึงได้ล่ําลือเราก็เป็นคนคนหนึ่งไม่เห็นล่ํำลือพระพุทธเจ้าก็เป็นคนคนหนึ่งแต่ทําไมล่ํำลือทั่วโลกกระาถาศรัทธาเทวมนุษย์สารนังเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย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 เห็นสาคัญอยู่เนเรื่องไม่กระเสริฐที่กลุ่มอํานาจอยู่ภายในจิตใจความเคลื่อนไหวไปมาของจิตใจกายวาจาจึงเป็นไปตามเจ้าอานาจนี้เสียโดยมากเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ความต้องการสิ่งก็ะเสริฐเลื่อนโลกก็สับแต่ความต้องการเพราะไม่ได้ดําเนินตามนั้นเพราะไม่ได้ฝื้นสิ่งที่กลุ่มอำนาจไว้ภายในจิตใจของเรา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 แต่มนุษย์เรานี้ไม่ได้มีคุณค่าด้วยเนื้อด้วยหนังอย่างสัตว์เหล่านั้นแต่มีคุณค่าในทาง จ, จิตใจมีคุณค่าทางความประพฤติความประพฤติถ้ามำดาเนินจา ก, กจิตใจก็ไม่มีทางดำเนินจิตใจถ้ามีเหตุมีผลเป็นเครื่องดาเนินก็ไม่ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นเหตุผลจึงต้องแนบสนิทกับใจใจต้องใคร่ควนถึงเหตุ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 ความจริงดังที่กล่ามานี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสั่งสอนตามหลักความจริงนี้ทั้งนั้นไม่ว่าทำในเนี่ยใดหม่ว่าพระสูตรพระวินัยพระประมัติต้องแสดงตามหลักความจริงนี้เกื่อนคลาบนี้ไปไม่มีฉะนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธจึงพยายามประพฤติปฏิบัติตนและพึงคํานึงถึงพระพุทธเจ้าเส ม, มอ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 แต่ความจริงมันก็ตามตามธรรมชาติอันนั้นแหละเพราะใจไม่มีอำนาจเหนือสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นอยู่กับใจเลยโลกเลยพูดจะว่าเอาแต่ใจตัวเองไม่คานึงถึงเหตุถึงผลเลยนี่เหตการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเราจำต้องฝืนดังที่ท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้หรือไปสถานที่ใดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายก็ต้องฝืนเช่นเดียวกัน ทำาไม่ฝืนไม่ได้ไอเรื่องเวลาจะมีมากน้อยเพียงไงก็ตามสิ่งที่มันกดขี่บังคับอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นผู้ผู้กรรมอำนาจหรือผู้คุมอำนาจนั้นจะแย่งชิงเอาไปจริงจนหมดไม่มีเหลือเลยจนกระทั่งโน้นหลัก ข, ขณะขณะที่จะสิ้นลมหายใจมันอันถึงจะปล่อยไม่มีเวลาว่างเลยวันคืนปีเดือนมีอยู่เท่าเดิมปีหนึ่งมีสามร้อยหกิบห้าวัน แล้ววันคือหนึ่งมี24ชั่วโมงก็ไม่มีว่างสำหรับธรรมชาติอันนี้จะไม่ยอมว่างให้ใครเลยกมูมอหนาอยู่ตลอดเวลาจนขณะจะสิ้นลมหายใจถึงจะเปิดโอกาสให้ว่าเวลานี้ว่างจึนได้ตายนัเราหน้าพิจารณาไหมเรื่องเหล่านี้มันหน้าสรุดสัมเวศไหมและสิ่งเหล่านี้ เคยกดทวงเคยทรมานเคยทาให้เราได้รับความทุก์มามากน้อยเพียงไรและแต่แต่นานเท่าไรกดขี่บังคับอยู่ภ า, ายในจิตใจจนกระทั่งเราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยแม้แต่จุดจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายจนขนาดหนักแทบจะไม่มีสติก็ ว, วันนี้ใจไม่ดีเลยและไม่ทราบว่าไม่ดีเพราะอะไรเป็นเหตุจะทำ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 ลูกก็มีเมียก็มีสมบัติมาตรฐานมากน้อยประชาชนทั้ทงหลายเต็มแผ่นดินซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์เท่านั้นทําไมพระองค์ว่างพระองค์วางปล่อยได้ตามการตามเวลาที่ควรจะปล่อยจนกระทั่งในตััสรูเราไม่ถึงกับจะต้องปล่อยอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ปล่อยแบบสัตว์แบบลูกศิษย์ที่มีครู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 ถ้าไม่มีปัดมีทำภายในจิตใจแล้วเราจะหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยและเลื่อนลอยจนกระทั่งวันสิ้นที่วายชนก็ลื่นลอยไปงั้นเมื่อจิตใจในปัจจุบันมันเลื่อนลอยอย่างไรไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่างไรอนาคตไม่ต้องพูดก็คือพูดนี้หระผู้เลื่อนลอยน่เองจะไปเป็นอนาคตไม่ใช่อะไรจะไปเป็นแล้วสาวกท่านมีจำนวนมากน้อยเพียงไรท่านทาไมว่างได ท่านทําไมฝืนได้น αι. คําว่าฝืนเป็นสิ่งสำคัญมากน αι. ทําไมท่านฝืนได้กิ่เลีท่านเป็นกิเลสประเภทใดท่านถึงฝืนได้กิเลสของเราเป็นประเภทใดถึงฝืนไม่ได้น αι. ก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันธรรมะเป็นเครื่องแก้ไขก็เป็นประเภทเดียวกันบุคคลที่จะต่อสู้พี่พี่จะแก้ไขหาเวล า, วลาหาโอกาสเพื่อตัวเองก็เป็นบุคคลเช่นเดียวกันกับเรา ไม่ผิดกันอะไรเลยถ้าผิดก็ผิดแต่ว่าท่านมีความเข้มแข็งเรามีความอ่อนแอนะถ้าผิดก็ผิดตรงนี้ความอ่อนแอนี่แหละเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้รับความทุกข์ความลําบากและบ่นเพ้ออยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่ความบ่นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ได้บ่นก็เอาตามความสาคัญของขนตองนว่าเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงไม่ใช่ทางระบายออกแห่งทุกข์ความบ่นมันก็ เป็นความทุกข์หนึ่งเหมือนกันเพราะทำงานเนี่ยความคิดที่จะมาบ่นก็เป็นงานความบ่นออกมาก็เป็นงานและนอกจากนั้นยังทำให้คนอื่นรำคาญดีไม่ดีเขาก็มีอะไรอยู่พันในจิตใจของเขาพร้อมมาพบเรื่องของเราเข้าก็เลยบวกักนเข้าไปใหญ่เลยเลยมีแต่ความทุกข์นะเพราะฉะนั้นเพื่อปวดเปื้อง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 สิ่งที่เราจะให้ฝืนนั่นก็เลยยอมจำนนแล้วว่าจะไปไหนนี่เหตุผลยังไงถึงต้องไปเนะี่ยต้องเป็นไปตามเหตุผลนั่นทีเดียวไอสิ่งที่เราจะให้เราฝืนสิ่งที่จะมาขัดข้องมากกีดขวางทางเดินของเรานั้นมันก็ค่อยล้มละลายไปล่ม ล, ลาไปในเมื่อเราเคยฝืนอยู่แล้วและได้ชัยชนะมาแล้วสิ่งนั่นจะมาชนะเราไม่ได้และโดยลำดับนัๆจนกระทั่งชนะไปตลอดสายเลยแล้วชนะจนกระทั่งไม่มีอะไรจะมาต่อสู้กับเราได้อีกงั่น นี่ความฝืนเป็นอย่างนี้ใจชอบอย่างนี้แต่เหตุผลเป็นอย่างนั้นนี่เราต้องฝืนความชอบใจอย่างนี้เพื่อเหตุผลอย่างนั้นนี่เป็นความถูกต้องถ้าเราจะดาเนินหรือทำไปตามความชอบใจความชอบใจนี้มีเหตุมีผลอะไรหรือไม่ไม่ไมนีนอกจากเหตุผลของกิเลสเท่านั้นซึ่งอะไรก็อ้างมาตามเรื่องของมัน จนจนมากเราชอบเหตุผลของกิเลสมากกว่าเหตุผลของธรรมเพราะฉะนั้นผลที่จะพึงได้ละผลที่บุญได้รับจึงมีแต่ความทุกข์ความร้อนพนาณิชย์ใจแม้นั่งอยู่เฉยๆก็ตามจิตไม่ได้นั่งจิตมีความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาล้วนแล้วตั้งแต่สร้างความทุกข์ขึ้นแก่ตนเองด้วยความคิดในเนแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางไม่ดีเราก็ไม่ยอมเห็นโทษนี่นแหละเรื่องเหตุผลของกิเลสเป น, นี้ หาความถูกต้องไม่ไม่ได้แหละเหตุผลกี่เดียแต่ว่าเรียกเหตุผลของมันเป็นอย่างนั้นส่วนเหตุผลของธรรมนั้นมีความถูกต้องผลที่ได้รับคือความสุขความเย็นใจการปฏิบัติตัวเองหรือการปฏิบัติศาสนาจึงเป็นความลำบากผิดธรรมดาอยู่บ้าง ถึงจะผิดธรรมดาก็ตามเราก็ทราบว่าเราจะไม่ให้เป็นไปตามธรรมดาของสิ่งต่ำของฝ่ายตา่ำก็ต้องฝืนกันเมื่อฝืนครั้งนี้ได้รั้งต่อไปก็ได้แล้วรั้งต่อไปในเรื่องสิ่งที่ให้ฝืนก็อ่อนลงอ่อนลงความเจ้าแข็งก็มีขึ้นเลยไม่คํานึงถึงสิ่งที่จะมาขัดขวางเรายิ่งกว่าเหตุผลที่จะดำเนินไปตามที่เห็นว่าถูกต้อง นี่นัทธรรมะพระพุทธมีพระพุทธไจจ่าเป็นต้นท่านจมลำเนินอย่างนีง้ทำไมท่านจะไม่หึงไม่ห่วงไม่ห่ว ง, ไ ม, วงไม่ใยครอบครัวเจรอนท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนมีกิเลสเช่นเดียวกันท่านต้องห่วงแต่ท่านก็ฝืนขนาดนั้นได้นานครูของพวกเราสาวกฝั่งหลายท่านก็ฝืนของท่านจนได้เป็นพุทธังสังฆฉนงันนกระฉามิของพวกเราเราที่เป็นผู้รับ เอาพุทธทางธรรมังสังตังตาั ง, างกชามิเข้ามาสู่จิตใจก็อย่าเอาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายโดยเมื่อคำหนึงถึงคุณสมบัติแห่งธรรมนั้นๆหรือแห่งพุทธแห่งธรรมแห่งสงฆ์ว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงไจรจึงเอามาเหยียบย่ำทำลายกับความขี้เกียดอ่อนแอความเห็นแก่ตัวความไม่มีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอา ม, มาสกปรกด้วยทําไมเราต้องคิดอย่างนี้เสมอนี่เป็นเครื่องเตือนจิตใจของเรา แล้วเราจะได้พยายามแก้ไขไปโดยลำดับเหตุผลอันในมีฝืนจิตฝืนใจเข้าสู่เหตุเข้าเข้าดำเนินไปตามนั้นแำไมมันฝืนแล้วจิตใจเราจะได้มีความโล่งสบายไปโดยลำดับอะไรโล่งก็สู้จิตใจโล่งไม่ได้ อะไรครับแคบติดตันก็สู้จิตใจครับแคบติดตันไม่ได้อะไรจะทุกข์ก็สู้จิตทุกข์ไม่ได้อะไรจะสุขก็สู้จิตสุขไม่ได้นักรวมลงที่จิตโล่งดินฟ้าอากาศก็โล่งไปง น, นั้นแหละถ้าว่าความทุกข์เรายังมีอยู่ภายในจิตใจเราจะร้อนเราจะทุกข์วันยั่งำํำทั้งที่ทั้งทั้งที่เราไปอยู่ในกลางทุ่งลงโล่งนั่นแหละเนี่ยเนี่ยจึงว่ามันมันอยู่ที่จิตถ้าจิตทองเรามีความ ปลาโปรงโล่งสบายสบายแล้วอยู่ที่ไหนมันก็สบายเนอะอยู่ในถ้ํานเหวในกระทับต่ตามอยู่ในก็มไม้ชายเขาก็สบายทั้งหมดไม่จําเป็นต้องคิดหาว่าโป่งนั้นโปร่งนี่โล่งนั้นโล่งนี้อะไรเพราะมันโล่งที่ไใจแล้วมันอยู่สบายความสุขก็สุขอย่างนั้นนี่จึงว่าอยู่ที่นี่ให้พยายามรักษาสมบัติอันมีคุณค่ามากคือใจนี้ไว้ให้ดี ย่าปล่อยให้สิ่งตาำชาดเดียวสามทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำําลาจนแหลก้งหมดผลเละมันโยนให้เราเป็นคนนับทุกจะเป็นจะตายอยู่ภาย ใ, ใจิตใจนี่คือผลแห่งความแ ห, แห่งสิ่งต่ําทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจิตใจไม่พยายามแก้ไขด้วยเหตุด้วยผลความสุขอาจจะหาที่ไหน มันก็เพียงผ่านไปผ่านไปดังที่เราทั้งหลายได้เห็นเห็นกันประสบมาผ่านชั่วขณะขณะขณะนั้นมันไม่เป็นความสุขที่กีรังถาวรแต่ความสุขที่เป็นขึ้นภณยจิตใจในหลักธรรมชาติของตนเองเกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของจิตด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานี้เป็นความสุขที่กีรังถาวรจนกลายเป็นความสุขที่ตายตัวเป็นอกุปปัธรรม เป็นจิตใจที่ไม่กำเริบเป็นความสุขที่ไม่กำเริบไม่เปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ที่นี่เนีย่ยสมบัติในโลกนี้ก็คือใจนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าพยายามรักษาแต่เพราะอย่างยิง่งการจิตตะภาวนาอยี่าถือเป็นเรื่องเล็กๆกน้อยน้อยทำพอเป็นพิธีดีตองเราไม่ใช่เป็นคนพิธี เราเกิดมาเป็นคนทั้งคนไม่ใช่เพียงตุ๊กตาพอจะเป็นพิธีด้วยการภาวนาหนังเทือนห้านาทีสิบนาที1ิห้านาทีแทกล้มเผลอตายเวลากิเดสเอาไปถลุงทั้งวันทั้งคืนยังสนุกประมันไปได้นะั่นเห็นไหมเฮ้กิเยสมันกรอมคนดีขนาดไหนมันกรอมดีขนาด น, นั้นนะ พร้อมจึงเคลิมหลับไม่รู้สึกตัวเลยจะหาไงแต่ทำไมนักปราชท่านตำหน่นะักพวกเราทำไมชอบเนี่ยนะชอบอะไรมันก็เจออันไงชอบทาก็เจอทมชอบพิเรนชอบทุกข์ก็เจอทุกข์นันหาได้ด้วยกันสุขก็หาได้จากเราคนเดียวทุกข์ก็หาได้จากเราคนเดียวตามสาเหตุที่ดาเนินไปผลจะต้องเป็นอย่างนั้นโดย ไม่เป็นอย่างอื่นนี่เราแน่ใจแล้ววัดเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นภูมิที่สูงสุดในโลกนี้ถือว่ามนุษย์สูงกวสัตว์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาเป็นคำสั่งสอนที่ถูกต้องแน่นยังมาจากหลักฐันสวกาธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ชอบแล้ว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 อุบายแนะนำสัมสาวสัตว์ถึงสามถึงถึงด้ถึงสามโดกระถาไม่มีศาสตราจารย์องค์ใดที่จะแซงพระองค์ไปได้ว่าแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสอนถึงขั้นพนนิพันธ์เราจะหาขนาดไหนอีกแล้วมีใครที่จะสอนให้เลยพนนิพันธ์แต่เคยได้ยินไหมไม่ได้ยินเพราะถึงที่ทันแล้วเป็นสถานที่เพียงพอ เช่นเดียวกับเราขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วแล้วก็เป็นที่เหมาะสมเป็นถึงที่จุดหมายแล้วเพราะไม่ใช่ขัวตาดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเคยนำมาพูดเป็นอุบายดุกให้เป็ น, เ, ปนเพื่อให้เป็นคติแก่พระเสมอว่าแบบแถนเถนกรงนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรทันหลันท่านจยกิ่ทานขัวตาขึ้นมา เดินนวดไปในบ้านเขาเขาเขานิมนต์ขึ้นบนบ้านตามนิมนต์ขึ้นบนบ้านก็คือนิมนต์ขึ้นนั่งบนบ้านเขาแต่หัวตางนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะพราว่านิมนต์ข้างบนนิมนต์ข้างบนโดดขึ้นไปปีนขึ้นไปขืนนันว่ะอ๋อทำไมขึ้นไปโน่นล่ะนิมนต์ลงมาลงมาแล้วเปิดเลยแม่นั่งในท้องบ้านเขาม า, มาอย่างนี้มันเป็นยังไง สอนถึงนิพพานแล้วจะไปไหนอีกเมื่อจิตถึงนิพพานแล้วถึงขั้นเต็มขั้นเต็มพุ่มแล้วจะปีนขึ้นไปไหนอีกนี่จะเป็นแบบหัวตานละปีนขึ้นบนเขื่อนนิพพานไม่มีขื่อนดิฮะฮะปีนขึ้นบนเขื่อ น, นี่มันลงโดดไปเลยเลยไม่ได้เลื่อมทันวะตั้งขึ้นตั้งลองผิดคนไม่ใ ค, คร่ควรคนมพิจารณาเถรตรงะกงจนเสื่อหันวะ ในวงปฏิบัติทั้งเรานี้มีไหมที่ปีนขึ้นขือ่อเยอะหันว่าฟังเลยนี่คือพวกปีนขึ้นขื่อทั้งนั้นนะ่ะปีนขึ้นบนขื่อน่าไม่ไปล่ะตามหลักมัธยมมาที่พระเจ้าทรงสอนไม่ไปมันปีนขึ้นบนขื่อทั้งนั้นโดยไม่รู้สึกตัวอ่ามันพูดหน้าฟังนะพวกบนขื่อหันว่างั้นอืมเป็นคติสาคัญห้าฝังมากซึ้งฟังแล้วนี่มันพูดถึงเรื่อง ผนไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ความพิพ จ, จนนารณาเหตุผลว่าควรยังไงไม่ควรยังไง น, นี้เราเห็นตรงคําว่าเห็นตร ง, งนี้บางท่านก็จะไม่เข้าใจคือเห็นครูบาอาจารย์ท่านล้างบาดเช็ดบาดเรียรอยแล้วท่านบาดท่ลาลงา ม, ามาแล้วท่านส่องดูบาดให้ตรงกับตะวันท่านมีความหมายว่าบาดนิทะลุตรงไหนมั่ง สองไปที่แจ้งคือสองสพระอาทิตย์มามองไปพระหาว่าบาทรมีธุตรงไหนช่าไหนก็จะได้อุดนี้ลูกจิตเห็นอาจารย์ส่องบาตรส่องเลยส่องไม่ทราบเวลามามาถามแล้วส่องเพื่ออะไรก็เห็นครูอาจารย์ท่านส่องนี้ไปเลยสองวันนี่บนขือเหมือนกันว่าท่านขึ้นบนคือท่านขึ้นไปทำธุระหน้าที่บนคื่อแต่เราขึ้นไปนั่ง ตรงองมองยบนขือ่อโดยไม่เห็นเหตุผลอะไรนั่นมีอะไรไม่ดีอยู่ข้างบนก็ไปซ่อมแซมเช่อนอย่างเราไปซ่อมแซมบ้านน้องเราบ้านไม่ดีที่ตรงไหนก็ไปซ่อมแซมที่นั่นแต่บนขือข่อก็ไปเพราะเหตุผลมันอยู่ที่ตรงนั้นควรที่จะทําที่ตรงนั้นต้องไปทําแต่คัวตาไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดดขึ้นบนขือ่ขอเฉยๆเขาเนี้ยมันนิ ม, มนต์ว่าข้างบนเข้าใจว่าเป็นบนขื่อก็เลยปีนขึ้นไปบนขือ่อบนบ้านเขาไม่ยอมอยู่ ขึ้นไปทำไมนิมนต์รองนิมนต์ลงโดดลงไปเลยนั่นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเห็นท่านเดินยังกรมก็เดินแต่ไม่มีสติสตังคิดเพลินจะกคิดคิดโศกหรือคิดเพินยุ่งไปหมดออพอออกส่ยทางยังกรมมาเอวันนี้จิตไม่เห็นมีความสงบป่ะ เราเดินจงกมตั้งนานไม่เห็นได้เรื่องอะไรมันจะไม่ได้เรื่องมันจะได้เรื่องอะไรก็ไม่เอาเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องความสงบเอาแต่เรื่องวุ่นวายพัวพันอยู่กับกิจตลอดเวลาเอาถ้ามานั่งภาวนานั่งก็เอาละนั่งก็นั่งคิดนั่งกุ้งนั่งยุ่งนั่งเยิ้มวุ่นวายไปหมดเฮ้ยนี่รายการก็ได้สัปดนาทีได้ทีนี่นาทีเราเห็นได้เรื่องอะไรนอนจะดีกว่านอนแล้วได้เรื่องเหลือพิจารนอนแล้วมันได้เรื่องแต่มันก็ได้เรื่องหมอนเท่านั้นเด นั่นก็ไม่มมได้มักผลนิพพานอะไรลงผวังหลวงหลับก็ออกไปแน่นไปที่ไหนก็มีแต่กิเลสตามเหยียบย่าทําลายอยู่ตลอดเวลาที่เราจะเหยียบย่าทําลายกิเลสมันไม่ปรากฏถ้าสติสตังไม่มีความจงใจไม่มีมีแต่กิเลสตามลายย่าอตลอดเวลาพวกเรามันพวกกิเลสตามล่าเอาพยายามเอาตามลา่ากิเลสนั้นที่นี่นะมันไปไเป็นยังไงกิเลสฝืนนี่แหละฝืนตรงนี้ จิตมันจะคิดไปไหน บ, บังคับทําไมจะบังคับไม่ได้จิตเป็นของเราเราเป็นเจ้าของของจิตเราบังคับไม่ได้ใครจะบังคับได้ถ้าจิตลงแบกแนวจากเราแล้วจิตจะมีหลักมีแหล่งที่ตรงไหนผลที่เกิดขึ้นจากการแบกแนวจะเป็นอย่างไรนะั่เราต้องคิดมันอยากไปไม่ยอมให้ไปอ้าวมันอยากทําที่นั้นไม่ยอมให้ทํามันจะฝืนไปได้ไงเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วที่จะไม่หไม่ให้ทําเราต้องไม่ทํานำะ เมื่อเหตุผลพร้อมแล้วที่จะทําอ้าวทาลงไปเป็นก็เป็นตายก็าตายทําไมโลกเขาทาหน้าเราทําไม่ได้โลกเขาทําไม่ตายแล้วทําไมเราทํามันตายต า, ยาให้ตายป่าช้ามีอยู่ทุกแห่งทุกนไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องความเป็นความตายขอให้ทําสิ่งที่ถูกต้องมีงามอย่างสมใจเธอ น, นั่นว่าอย่างนั้นแล้วกิเลสมันก็เหมาะอเลยเอ๊ะมันจะไปไหนพ้นไม่มีอะไรที่จะมีอํานาจเหนือธรรมะของพระพุทธเจ้า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 ให้เข้าใจในอัตในธรรมให้ทำเท่นั้นสัมผั ส, สจิตใจเพราะใจสิ่งอื่นมาสัมผัสทั้งมากมากกกองจนจะใจไม่เป็นใจของตนแล้วเวลานี้มันจะเป็นใจกิเลสัณาอสวะเป็นใจิตใจเสด็จใจผีอะไรก็ไม่รู้หรอกใจในโลกอเวจีที่หมดพราะสิ่งไม่เป็นท่าเข้ามากอคอบวรวุ่นวายเวลานี้จใจเป็นภาชนะสําหรับรับธรรมตั้งหน้าตั้งตาฟังโดยเฉพาะอีกก็สงบสงบแล้วก็หยิน พอจิตเย็นแล้วมันสบายตอนนั้นแหละคนเราเราหาความสบายไม่ใช่เหรือเราไม่หาความถูกนี่แหละจิดแห่งความสบายอยู่ที่ตรงนี้ให้พยายามระงรับจิตอย่าคิดมากเกินไปความคิดมากไม่ใช่ของดีคิดมากมากไปจนจะมันจะเป็นบ้าก็มีทําเป็นยังไงเพราะเหตุไรที่เป็นงั้นสิ่งที่ไม่ไม่ดีนั่นแหละจิตชอบคิดสิ่งที่ไม่ชอบใจ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 แล้วสงบออตัวเห็นผลแล้วที่นี่อ้อนี่ผลแห่งการบังคับจิตเป็นอย่างนี้ต่อไปก็นี่แก่ใจที่จะต้อ บ, งบังคับไปเองนึกเกิดความพราหานที่ต้องบังคับสุดท้ายจิตก็เป็นสมบัติของตนเป็นลำดับลำดับอยู่ไหนก็สบายแล้วมีทางยับยั้งตั้งตัวได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติสตังซึ่งเคยได้บำเพ็ญมาและเคยได้หลักเกณฑ์มาแล้วนี่คือการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา การปกครองตนตามหลักศาสนาการพร่ำสอนตนตามหลักศาสนาดีกว่าการพร่ำสอนใครๆทั้งทั้งนั้นเมื่อสั่งสอนตนดีแล้วพูดให้คนอื่นฟังก็จับใจไถ่รอกถ้าตนนังเหลวพูดออกไปถึงจะนำธรรมพุทธเจ้าออกไปความเหลวของตนออกแฝงไปด้วยมันก็ไม่น่าฟังมันเลยเหลวไปหมดถ้าจิตใจมันเข้มข้นความรู้สึก อยู่ภายในเข้มข้นการแสดงออกมันก็มีรสมีชาตินไงจะว่าไงมันออกไปจักใจที่เป็นตัวการสำคัญเนี่ยขอให้พยายามรักษาจิตใจให้มีสาระคุณปรากฏเด่นขึ้นโดยลำ ด, ดับจากการปฏิบัติในกิจภาวนาเป็นต้นอย่าเห็นว่าเป็นกิจ นอกประเด็นนี้เป็นจิตพิเศษไปนั้นนี่แหละคือเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตจิตใจของเรามีธรรมนี่แหละเป็นสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดนอกนั้นก็เพียงเป็นปริยายอาศัยกันไปชั่วการชั่วเวลาแล้วพอพากจากกันไปทั้งเขาทั้งเราหาความิดลังถาวรไม่ได้ทั่วทั้งแดนโลกธาตุอันเป็นสมมตินี้จึงขอยุติธรรมเพียงตรงนี้เา่านั้